بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل าผู้เป็ م เจ้าแผ่ ن ดินอาลัย์อุ๊มขออัลลอฮ์ทร ع อัลลอฮ ح และทรง ل ัลลอ ل ์ผู้เ ن ็ ا เจ้าแผ่น ا ินขออ รับบิษร์ให้ศัตรีวัยศิร و อัมรีวะผล ن ูกเดตมิ قه ว่า و ل, ل ي, ق ق ي. ا ل ل ه م أ ل ه م ن ا ر ش د ن ا و ع ز ن ا م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ل ا م ت ق ر ل, ر نا ل نا ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا ا ت ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة ن ه ي ئ ل ن ا م ن أ م ر ن ا ر ش د ا ا ل ح م د ل ل ه วันนี้เป็นวันที่เท่าไร่ครับของ ม, รมุรามฮะสิบสองรอยสิบสามเราถือศีลอด อ, อัชรอรวันอะไรวันอังคารอังคารวันที่สิบวันพุธสิบเอ็ด 11, วันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบสองมรอมก็ยังอยู่ในช่วง ต้นเดือนของฮัรอมนะครับเ ป, เป็นต้นเป็นต้นปีของปีฮิรัชสกัลหนึ่งพัสี่ร้อยสามสิบแปดอัลฮัมดุลิลละชูกรต่อัลลอฮ์สุบฮานอัลลนะครับที่ชีวิตของเราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับจะกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานอัละอสักวันหนึ่งพี่น้องครับนับเป็นโอกาสดีนะครับทุกครั้งที่มี จริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะครับว่าอิสลามไม่ได้มีกําหนดว่าพอถึงปีใหม่แล้วต้องมานั่งทบทวนหรือต้องมานั่งอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้มีบอกว่าเออจริงๆแล้วการทบทวนตัวเองเนี่ยควรต้องทําอยู่เป็นประจำนะครับต้องทําทุกวันได้ซ้ําไปทุกครั้งที่เราละหมาเราก็ได้ทบทวนตัวเองอทุกครั้งที่เราได้นั่งซ i k i r ต่อ Allah subhanahu wa taala ยามเช้ายามเย็นได้นั่งอ่านอัลกุรอานทุกสัปดาห์อย่างนี้ก็เป็นการทบทวนตัวเองแล้วแต่มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าการบริหารจัด ก, การที่มันไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับที่พอถึงมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เข้ามาประมวลชีวิตของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะมาดูว่าเราได้ทาอะไรไปแล้วบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมา ระยะหนึ่งและในเวลาต่อไปนะครับที่จะมาถึงเนี่ยเรามีอะไรที่จะทำบ้างจริงๆแล้วูดถึงฮิจรอห์เนี่ยฮิจรอตุลรัสูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมความสำคัญของมันเราอาจจะรู้กันบ้างพ็สมควรนะครับความสำคัญของฮิจรอและก็คนแรก ص ح ะนบรรดา صحاب ะาารด้วนลลอฮ ล, ล่หทำไมที่อิสลามจึงต้องมีปฏิทินอิจราปฏิทินตั้งหากเลยนะครับในสมัยหนึ่งสมัยท่าน อ, อุมัรอบรุบอัลลอฮอเป็นขลิฟะนะครับหลังจากท่านอบับออสสดุลบาศดีก็มีการร้องเรียนนะครับจากบรรดาตอนนั้นเนี่ยอิสลามเริ่มแผ่ขยายไปกว้าง ไปถึงเรืออะไระอะทางตอนใต้ของรัสเซียอาร์เมเนียไปถึงอาร์เมเนียไปถึงแ อ, อฟริกาแอฟริกาอะไรแอฟริกาตอนบนซึ่งอุ ม, มัดอิบน์ขอต่อมีปกครองได้กว้างมากแล้วก็ส่งหนังสือไปบางทีไม่มีวันที่าบางทีหนังสือถึงเนี่ยถึ ง, ถง ถึงเจ้าเมืองถึงอะไรเนี่ยบางทีไม่รู้อันไหนมาก่อนหลังก็เลยบางทีก็ชนกันว่าฉบับหนึ่งสั่งให้ทําแบบนี้พอมาอีกฉบับหนึ่งสั่งให้ทําอีกแบบหนึ่งแล้วไม่รู้อันไหนก่อนอันไหนหลังก็เลยร้องเรียนเไียงท่านอุมาว่าหนังสือของท่านเนี่ยไม่รู้อันไหนก่อนหลังอุมัศก็เลยเรียกประชุมทั้งหมดบรรดาทราบออ่ามปอบรรดาเสนาบดีในสมัยนั้นนะครับคนที่อยู่อ เป็นที่ปรึกษาของท่านก็เรียกมาว่า เ, าเราจะทํำยังไงเราจะเริ่มทําปฏิทินยังไงในสมัยของท่านอมุมรเนี่ยมีนวัตกรรมเยอะนะครับมีนวตกรรมหลายอย่างที่ท่านอมร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นคุณโประการให้กับประชาชาิอิสราเก็หารือกันว่าจะเอาอยัางไงจะเริ่มใช้ปฏิทินยังไงก็มีคนเสนอบางคนก็เสนอว่าให้ใช้วันเกิดของท่านนาบีสลุลตารลอสอัลลัมเป็นการเริ่มนับปี มีบางคนก็ค้านว่าถ้าใช้วันเกิดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกนอซรอนะครับพวกนอซอรอ์เพราะว่าเขาใช้วันเกิดของท่านนบีอิสาในการทาปฏิทินหรือมีบางคนก็บอกว่าใช้วันวันเสียชีวิตสิวันที่ท่านนบีตายก็มีคนค้านอีกนะถ้าท่านนบีตายก็เหมือนกับอีกพวกหนึ่งซึ่งมันมันก็ไม่ไม่ดีแล้วมันไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นวันเกิดวันตายเนี่ย แทบจะไม่มีนัยยะอะไรเลยในชริ i ะของ Allah ซุมตางหัวตะเานะครับสุดท้ายก็มีคนเสนอว่าให้ใช้วันที่ท่านนาบีหรือว่าปีที่ท่านนาบีนั้นเริ่มอพยพเริ่มอิจรอจากมักกะไปสู่มดีนะนะครับเพราะนั้นเป็นเส้นแบ่งจริงๆคำว่าฮิจรก็คือการย้ายย้ายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ย้ายจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งก็ได้บางทีมาอาจจะหมายถึงย้ายสถานที่ย้ายภรมลําเนานะครับเนี่ยย้ายจากสามจังหวัดมาอยู่อเูเกตก็เป็นหินจราะหรือย้ายจากสภาพคืออยู่ที่เดิมแต่ย้ายสภาพสภาพความเป็นอยู่จากเดิมเป็นคนเก่งมเรกเกเรไม่เอาไหนไม่ละหมาดไม่อะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพ ให้เป็นคนที่เอาใจใส่มากขึ้นมีระเบียบในชีวิตมากขึ้นเรียนรู้อิสลามทําความเข้าใจอิสลามมากขึ้นก็ถือเป็นฮิจารัชเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยพ อ, พอมีคนเสนอว่าฮิจระัชเนี่ยก็เลยเห็นด้วยเพราะว่าการฮิจระัชของท่านนาบีสุลต์ละของสันลัมเนี่ยเปลี่ยนหลายอย่างมากเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านนาบีเองของบรรดาสัฮาบะฮ์หลายคนของประชาชาติอิสลาม ในยุค ข, ของท่านนะตอนนั้นเนี่ยแทบจะอีกแบบหนึ่งเลยมันจึงมีความหมายในเชิงในเชิงภูมิศาสก็ดีนะครับย้ายจากมัค ก, กัตไปอยู่มาดีนะในเชิงรัฐศาสก็ดีจากเดิมอยู่สภาพที่ถูกกดขี่คมเพงพอกมาอยู่ที่มาดีนะ ใ, ในกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่สามารถจะจัดการบริหารบ้านเมืองจัดตั้งต่างๆน า, นานาสร้างความเจริญพัฒนาทาให้กลายเป็น รัฐอิสลามจะรัฐมาดินนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเห็นด้วยว่าจะเอาเริ่มต้นปีที่ท่านอบิฮิจรอห์นะครับเป็นปฏิทินอิสลามถามว่าท่านอบิฮิจรอห์เดือนไหนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจพวกเราอาจจะเริ่มนับมุฮัรรอมเป็นฮิจระห์ใช่ไหมพอถึงเดือนม uh um, ุฮัรรอมเราจะทวนเรื่องฮิจรอห์กันยกใหญ่เลยจริงๆแล้วท่านนะบิฮิจระห์ในเดือน Din Nabiul Awal t a n Nabi. Dari Nabiul Awal h ijrah. d a r Nabiul Awal t u tentangnya bin Nabi. Dari Nabiul Awal life hidupnya. d a r Nabiul Awal sendirikan. Ah, dan m u h a r h a m k i a l a i Nalai, k a k i tak tahu macam mana kira apa. l a d p hari yang kedua Maharhamlah ramah ijrah. Dan kira apa ya? Nabi h ijrah h a r a itu d i n Nabiul Awal, tuh. Betul tak? Puh, t e a n g ijrah kan banyak lah. Pada a r i y n g k e u a m a h l a h ramah i j ถาว่าผิดไหมไม่ผิดครับมันไม่มันไม่เชิงผิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยวันที่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เดือน ม, มุฮัรรอมนะครับที่ท่านนาบีออกจากบ้านไปมาดินาเนี่ยเป็นเดือนรอฟี อ, อลัลลอาฺอวแต่เริ่มนับจากเดือน ม, มุฮัรรอมไอการเริ่มนับจากเดือนมุฮัรรอมนี่ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะไม่ใช่บอกว่าเฉพาะพวกคนในยุคเราวคือท่านอุมารเองก็เริ่มนับนตั้งแต่ตั้งแต่เดือน ม, มุฮัรรอมเพราะว่าคนอาหรับก็จะเริ่มนับ ต้นปีจากเดือนคือหลังจากทำฮัทเขาจะใช้ฮั์เป็นหลักพอจบฮัทก็คือเริ่มมันกับว่ารื้อฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นทุกอย่างหลังจากฮัทแล้วเดือนหลังจากฮัทก็คือเดือนเดน ม, มุฮัรรอมก็เลยนับเป็นต้นปีของทุกปีเนี่ยเริ่มนับจากเดือนมุฮัรรอมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะพูดเรื่องฮิจรัชในเดือนมุฮัรรอมได้ไหม ก็ได้แต่ว่าถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ท่านนาบีฮิร็อนี่มันไม่ตรงกันเลยกับเรื่อรอัลลอฮ์นักวิชาการบางคนก็บอกว่า <c oughs> โอเคหน้าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วท่านนาบีเริ่มวางแผนเริ่มซื้อเริ่มวางแผนว่าจะฮิจร็อกนี่ก็เริ่มหลังจากฮัจจ์จริงๆหลังจากที่ไปอัคร์กบะหลังจากที่มีการไปอะระหว่างตัวแทนที่มาจากมัดีนะาในฮัจจ์ไปอัลร์กะบะอัลซะเนี่ย ใช่ไหมครับหมาครั้งที่สองที่มากันกี่คนอ่ะประมาณเจ็ดิบเจ็ดิบคนเจ็สิบกว่าคนเนี่ยที่มาบอกท่านนบีว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้ท่านไปก็ประหนึ่งกับว่าหลังจากห้าปีนั้นเนี่ยท่านนบีก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะอิจรถแล้วซอฮบักคนอื่นๆก็เริ่มอิจรถตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็อาจจะไม่ได้นับตรงที่ท่านนบีอิจรหถแต่นัดตั้งแต่เริ่มมีการตัดสินใจที่จะอพยพจากมักกะไป ไปมาดีนะนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับความสำคัญของไฮโดรเจ์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผมมีความรู้สึกว่า เ, เราไม่ได้ใช้โอกาสที่เวลาที่พูดถึงไฮจดรเจ์เนี่ยในการเอามาเป็นบทเรียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ไหมครับส่วนใหญ่เวลาที่เราฟังคนอื่นพูดเรื่องไฮโระจก็จะพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องความน่าตื่นเต้นสมัยเด็กๆในเวลา ท, ที่มีที่มีอาจารย์มีโต๊ะครูมีบาบอมาเล่าไงจ๊อยเราจะนั่งฟังกันตื่นเต้นตอนที่ท่านอับดีเข้าไปในถ้ําเป็นยังไงตอนที่มุชริกีนเนี่ยยิ่งทักคนเล่าดีๆเนี่ยโอ้ยน่าติดตามมากแต่พอฟังเสร็จปึ๊บถามว่าได้อะไรจากเรื่องที่เราฟังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดปีแล้วปีเล่าที่เราฟังที่เราฟังเรื่องราวเก่ากในจักรฟังมันสอนอะไรเราบ้าง ประวัติศาสตร์ของประชาชาติมุสลิมเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวปีฮิจรั์มากี่ปีแล้วครับหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกว่าปีแล้วนะมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งเยอะแยะมากมายเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในการในการที่เราจะมาเอามาเป็นบทเรียนใะนชีวิตอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจและไม่ค่อยมีคนตั้งหัวข้อแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะตั้งหัวข้อฟังแบบเรื่องเล่ามากกว่านะครับไม่ค่อยที่จะเอามาพูดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับสำหรับพวกเราก็ขอดูอานะครับให้ชีวิตของเราหลังจากนี้ต่อไปได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้มากที่สุดพยายามนะครับตั้งเจตนาตั้งเจตนาอย่างเนี้ยตั้งเจตนาให้ดีว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากที่สุด เทาที่เราสามารถจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการหาความรู้การเรียนรู้ของเราเราเรียนรู้มาบ้างเท่าไหรแล้วแล้วมันเปลี่ยนความรู้ที่เราเรียนมันเปลี่ยนเราจริงไหมมันเปลี่ยนเราม้างได้แค่ไหนไปนสรุปกับตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับมีหลายเรื่องคงจะไม่พอกับเวลาตรงนี้ถ้าเราจะเอามาทบทวนจริงๆนะครับมันมีหลายมันมีหลายอย่างที่เรายังขาดเขาเรียกว่ายังขาดโอกาสหรือว่า ยังไม่มีเวทีที่มันเหมาะสมสําหรับการพูดคุยแบบเข้มข้นเพราะเวลาที่เราพูดคุยแบบนี้มันจะต้องพูดคุยมิติอื่นมิติของการวิเคราะห์วิเคราะห์อรติศาสตร์หลายช่วงตอนที่อิสลามผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยมันจะมน า, นานั่งอ่านอัลกุรอานเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องวิเคราะห์ทางวิชาการด้วยต้องหาคนที่เข้าใจอรติศาสตร์มามาพูดให้เราฟัง เชาะเหรอถามีโอกาสค่อยว่ากันนะครับถ้าใครมีมีใครอยากจะจัดก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากยังยังยังยังจัดได้จนถึงเดือนระบูลอาวันเลยลองจัดฮิจระษฎเดือนระบรูล อ, อาวันสักทีไหมเปลี่ยนหัวข้องานเมาลิฟรประจําปีกลายเป็นงานฮิจระษฎประจําปีผมว่าน่าจะโอเคนะ่ารักมันมีในบระวัติศาสตมนมันเป็นเรื่องสําคัญกว่านะครับอท่านอมรเอามาใช้ในการทําปฏิทินเลย เขคงจะแปลกใจน่าดูเลยแปลกผมว่าไม่ได้แปลกตรงไหนเพราะงานเมาลิดบางครั้งเนี่ยผมไปจัดเดือนชาวาะแล้วก็มีมาแล้วเราจะไปจัดเดือนงานที่จัเดือนราอย่างละงาวเดี๋ยมันจะแปลกตรงไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าคิดเหมือนกันเอาไม่ต้องแล้พอแล้วพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเรามาเริ่มเริ่มสุราใหม่นะครับปีใหม่พอดีแล้วก็เริ่มสุราใหม่พอดีนะครับละหัมโดยเละนะครับต่อจากสุรา ح. อัลมุดดะซิรก็คือ ส ورة อุลข no, no, ิยามะมาอ่นกันหน่อยนะครับหน้า40นะถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยอุบิลลาฮิมินัชัยตนรีม ל ا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة จะ ي ิสูจน์ได้ห ا ن อไม่มนุษย م จูจน์ไร สั่วีย ي บานะบ ا ن ลูรีมะลาُานะบัลลูรีมะลาบานะบัَลูรีมะลาบานะบัُ ย์ส์แ ا ลูอ م ย ل านย์ย์ ا ุมอัลกิยามะแค ا นั้นก <centimet re> ่อนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สุรุตอัลกิยามะชื่อมาย่างละอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ ชัดเจนมากนะครับชื่อสุรามาจากอายัดแรกเลอุกซิมุเบยมิลกิยามะ ก, ก็เลยเป็นที่มาของชื่อสุราเนี้นะครับสุราตกอัลกิยามะเป็นสุราอัลมักกีย์สุราที่ถูกประทานลงมาที่มักกะนะครับแล้วก็เป็นสุราแรกแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบี สโลลล์หัวอะเลฮิวะ ส, สลัมนะครับมีจมมดมีทั้งหมดสี่สิบอายัดสี่สิบอายัดนี่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันเยอะนะครับแต่เราพ อ, พอเราดูหน้าของมันเนี่ยประมาณประมาณแค่หน้าเดียวหน้าเดียวกับอีกไม่กี่บรรทัดผมสนับสนุนให้เราท่องอยากจะให้เราท่องโซระนี้ทําไมนะครับความรู้สึกส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวนี่มีความรู้สึกว่าโซระนี้เนี่ยมัน มันเป็นสซราสันส้นๆที่พูดถึงวันเกียมัติได้อย่างถึงได้อย่างก็เร้ถึงพลิกถึงขิงมากถึงกับมีคำพูดของท่านอมาุอมัดอมุมัดเอกแล้วฮีโร่ของเรานะครับท่านอุมัอิบนุลขุตตับรดิยัลลอฮุอันฮุอะมด์่านะะมัน سأل عن يوم القيامة أو อ ر ا د أن يعرف ห ق ي ق ة وقوعه เหอแพครับท่านบอกว่าใครก็ตามที่ถามถึงวันเกียรติ์หรืออยากจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงให้เขาอ่านสุรหนี้นั่นแหละการพูดถึงวันเกียรติ์เราเคยพูดหลายครั้งนะครับว่ามันมีความสำคัญมากในชีวิตของเรา Allah Subhanahu wa Taala พูดถึงวันกิยามัตหลายที่หลายแห่งในอัลกรุรอานของพระองค์เนี่ยหลายสุรากษ์มากลแล้วเราก็เรียนมาเยอะพอสมควรแต่ละที่จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ละสุรากษ์นี่ก็จะมีรูปแบบหรือแนวการนำเสนอของ Allah Subhanahu wa Taala เกี่ยวกับวันกิยามัตเนี่ยไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะต้องการให้เราซึมซับความรู้สึกหรือมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่พูดแบบเดียวและก็ครั้งเดียวแบบนั้นแสดงว่ามันไม่สําคัญแตท่ที่ที่อัลลอฮฺบอกแต่ละพูดหลายครั้งและก็หลายแบบเนี่ยแสดงว่ามันสําคัญมากแล้วเราจะต้องรู้ ให้มันหลากหลายแบบหลากหลายมุมเพื่อที่มันจะได้สร้างความรู้สึกของเราให้มันผูกพันกับวันกียมรติจริงๆเพราะมันมีประโยชน์การพูดถึงวันเกียรติเนี่ยการพูดถึงวันอัคราษฎร์เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามันมีประโยชน์กับเรามากมันมีประโยชน์กับการที่จะทําให้เราเนี่ยอยากจะไปอยากจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลละแปลกไหมฮะวันเกียรติเนี่ย อัลลอฮฺสุลต่าละฉายภาพให้เราเห็นว่ามันน่าสะพรึงกลัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่สําหรับมุกมินมุกมินเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงวันเกียร์มัดเนี่ยถึงจะกลัวยังไงเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะมีทางออกแล้วก็มีความรู้สึกว่ายัางไงเราก็ต้องกลับไปกลับไปหาอัลลอฮ์มีความหวังที่จะกลับไปห า, าอาัลลอฮ์สุลตานละถ้ากลางความโกลาหลวุ่นวายของวันนั้นมีความหวัที่จะกลับไปห า, าอาัลลอฮ์บอกแต่ละว่าจะกลับไปรับ ความช่วยเหลือจะอลัลลอฮ์จะกลับไปรับความเมตตาจอกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นต้องต้องอ่านเยอะๆมีประโยชน์ในโลกดุนยาด้วยซ้ํานีเคยบอกแล้วนะครับที่บอกว่าท่านอาบีบัยบอกว่าอย่างไงเวลาที่หัวใจของเราแข็งกระดา้างสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาหัวใจแข็งกระด้างก็คือให้พูดถึงวันเกียรติให้เยอะความแข็งกระด้างของหัวใจเกิดมาจากการที่เราจมดิ่งจมปลักอยู่กับดุนยามากเกินไป วิธีการที่ทำให้มันอ่อนลงวิธีการจะทํนออนาทให้เราหลุดออกไปจากวงวงคจรของดุนยาเนี่ยก็คือจะต้องเอาตัวเองออกไปอยู่ในวงคจรของอาคีรัตด้วยการอ่านสรุรบแบบนี้ขยักแบบนี้ที่พูดถึงวันเกียรติให้เยอะๆพูดถึงความตายอักซิรุจิคราฮาซิมิน ล, ลันี่ยยิ่งพูดถึงความตายหวัวใจของเราจะยิ่งมีชีวิต سبحان อัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้น อารมณ์ของโซลอนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนกับการขมวดความรู้สึกของเราไว้เอาไว้อย่างกระชับและกระรักกลุ่มมันไม่ไปไหนมันอยู่ในหนึ่งโซลอถ้าเป็นโซลอนอื่นเนี่ยอาจจะพูดเรื่องอื่นด้วยนะครับอาจจะพูดเรื่องอื่นแล้วก็มีวันมีพูดถึงวันแกมัดสักสักช่วงหนึ่งสักหน้านึงสักครึ่งหน้าแต่โซลอนนี้เนี่ยทั้งโซลอนเลยตั้งแต่ต้นจนจบ น, น, นะครับ วนเวียนอยู่กับสภาพหรือบรรยากาศของวันเกียรตยิมให้เราให้เราได้สึมซับ ก, กับมันจริงๆเพราะฉะนั้นลองดู40อายัดที่พวกเราคิดว่าใช้เวลากี่วัน4ะอายัดนิดเดียวมากนะครับเนี่ยสิอายัดเนี่ยกี่กี่บรรทัดหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้า1 4เจ็ดแปดบสิบบรรทัด 16บกวันทักไว้ไหมนะพูดในใจก็ได้ไม่ต้องออกสิบหกวันทักเองครับนะสิบกวันทักเองลองดูนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วพี่น้องจะไม่เสียใจโดยเด็ดขาดผมขอรับรองใครที่ท่องสุระนนี้และเรียนตัศีไปด้วยเข้าใจความหมายที่เราจะอธิบายที่เราจะตะะะบทไปด้วยหลังจากนี้เนี่ยอินชาอัลล์เขาจะไม่มีวันเสียใจเด็ดขาด ไม่มีวันเสียดายเวลาเด็ดขาดกับการที่เราท่องกับการที่เขาท่องสุรัษ์นี้ตอให้เชื่อนะครับอินชาอัลลอ์นะครั บ, ะรบฉะนั้นตั้งตั้งเป้าเอาไว้ให้ดีผมให้เวลาหนึ่งปีจำเอาไว้หนึ่งสี่สามเก้าเราจะมาทบทวนกัน <laughs> วะเยอะไปดิผมว่ามันเวอร์เกินไปนะจริงๆแล้วแค่เดือนเดียวก็เยอะไปละสี่สิบอายัดนี่ไม่เยอะนะ นิดเดียวสิ 16, บหกบรรทัดสี 40, ่ิบปะเยอะไปสิ 16, บหกบรทัดเองโอเคนะอิชั่อละนะครับได้เอกไปอ่าน uh huh. เวลาที่เราละหมาดสุนัตเอาไว้อ่านเวลาที่เราละหมาดแต่หยุดหรืออะไรก็ได้อิชั่อละนะอัลกนะิยามะทูทำไมครับที่ผมบอกอัลกิย ah, ่าวันกิยามันออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันคื อ, ม, คอมันคือจุดโฟกัสอะ่ะมันคือจุดโฟกัสของชีวิตของพวกเรา ใครไม่ให้ความสำคัญกับวันเกียมากเนี่ยพอถึงวันนั้นจริงๆเขาจะเสียใจที่เขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อวันนั้นเลยยา ا ลิตนี่ ק م ت لحياتييومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسق وساقه วันนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเพื่อวันอัคราตเนี่ยเราจะบอกว่าย่าเลยแต่นี่ก็ดังตุลิ hayat ีอัลลอฮ์ตอนที่ฉันอยู่ในโลกดุนยาฉันน่าจะทําเยอะกว่านี้ฉันน่าจะเตรียมตัวเพื่อการมีชีวิตของฉันในวันอัคราตมากกว่านี้ฉะนั้นต้องพูดถึงวันอัคราตมันคือจุดโฟกัสในชีวิตของเราถ้าพูดในแง่ของการละอัลฮะคือมันเป็นเนื้อหาการดะอัลฮะของท่านนบีใช่ไหมครับในสุรัขโมดัสสิ่งที่เราพูดเยอะมาก ว่าทนนบีมาอินดารเรื่องอะไรมาอินดารเรื่องอะไรยาอุยฮลมุดดัสซิลคุมฟัลซิรลลอฮฺบิกะเป็กะทั่งสุดท้ายอะมาพูดถึงเรื่องวันอัคราทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นการพูดถึงวันอัคราท์นี่คือจุดโฟกัสในการเดาระของท่านนบี Muhammad ﷺ นะอายัดแรกเลยนะครับมาดูลอุกซิมุบิยมิลกิยาม ละอุกซิมุบในยามิลกิยามะอัลลอฮฺอาบบรนี่เป็นสมนวนในอัลกุรอานที่ไม่ค่อยได้เจอมากนะครับละอุกซิมจริงๆแล้วคําว่าละเนี่ยและนะอ่ละนะอ่ำใช่ไหมเวลาไปฮัดละละละละมีไหมบางกริมละละละได้ใช่ไหมตอนไปมัคคละละละก็คืออะไรไม่เป็นการปฏิเสธ และอุกสิมอุกซิมก็คือการสาบานขอสาบานพอมีลาเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ขอสาบานความหมายโดผิวเผินมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอายัดนี้เนี่ยมีการอธิบายอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งสองแบบอุลามะบางคนนักตับซีรบางคนก็อธิบายว่าอายัดนี้หมายถึงการปฏิเสธ อัลลอฮฺต้าลากำลังปฏิเสธฉันไม่ขอสาบานกับวันกิยามะได้ไหมทุกทีอัลลอฮฺต้าลาจะสาบานวันลาสรีวันชัมซีวันไล ล, ลีขอสาบานด้วยเวลาขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์ขอสาบานด้วยดวงจันทร์แต่พอมาถึงอายัดนี้เนี่ยไม่ขอสาบานด้วยวันอัคราษยังไงอะอันนี้เป็นแนวหนึ่งในการตักเียยังมีอีกแนวนึผมยังไม่พูดนะพูดแนวนี้ก่อนพระก็บอกว่า Allah Taala ไม่ขอสาบานกับวันอาคราเพราะเพราะมันชัดเจนมากมันไม่จําเป็นต้องสาบานกับวันอาคราแต่การตัฟซีรลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทัศนะค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เป็นที่มีน้ําหนักหรือว่าไม่เป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดานักตัฟซีรเท่าไหร่จริงๆแล้วนะครับลักตัฟซีรส่วนใหญ่ที่มีน้ําหนักในการตัฟซีร์เนี่ยเขาจะอธิบายว่าอายะนี้เนี่ยไม่ใช่การติเสธ แต่มันเป็นการสาบานเลยแล้วมีลามาทำไมการที่เอาลามาตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนสำนวนในการสาบานอีกแบบหนึ่งเขาเรียก <c oughs> ว่าละลิลิสติฟตาเป็นการเปิดการสาบานละปุซมูบียวมิลเกียมเป็นการปฏิเสธอย่างอื่นก่อนเหมือนกับประมาณว่าปฏิเสธอย่างอื่นก่อนไม่ใช่แบบนั้นฉันขอปฏิเสธด้วยวันอาครา ก็้าใจไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าอุสลูในภาษาอารักบางทีเราอาจจะต้องเรียนเยอะกว่านี้มันจะได้เข้าถึงอัตลรกของ ม, มันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่เคยมีแบบนี้เนี่ยปกติเวลาสาบานก็จะสาบานแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่มารอบนี้สาบานแบบมูบาลาก็สาบานมันก็มีความรู้สึกหนักแน่นอยู่แล้วแต่พอใส่ละเข้าไปล่หรืออิสติฟตะเข้าไปข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักในการสาบานเข้าไปอีกเพื่อที่จะได้บอกว่าเรื่องที่จะพูดหลังจากนี้โอ้โหไม่ใช่เรื่องจ็บจ้อยแน่ๆเป็นเรื่องหนักแน่นอนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแปลเห็นไหมอัลลอฮ์ได้สาบานกับวันแห่งการสอบสวนคำว่าลาตรงนั้นเนี่ยความหมายมันไม่มีเป็นการปฏิเสธใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นการเพิ่มน้าหนักให้กับการสาบานเข้าไปอีก นี่แหละครับคือข้อดีของการเรียนภาษาอาหรับเวลาที่เราเรียนภาษาอาหรับหรือเวลาเราอ่านอายะห์แบบนี้เนี่ยมันเจอเหมือนกับได้ดูดซับดูดซึมเหมือนกับสูดเข้าไปในความรู้สึกเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสะสารจากสะสารภาษาอาหรับไปเป็นสะสารภาษาไทยที่ภาษาอะไรอยู่มันสูดเข้าไปได้เลยนะมันมันเขาเรียกว่าซึมซับเข้าไปได้เลยนะครับเราทำด้วยละอันนี้ข้อดีใช้ว่าทําไมแต่ก็ทำไปละต่อไปนี้เราก็รู้ละ หลังจากนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแลนะอุ ksi mobile milkyam เวลาอา่านก็ให้อ่านยาวแลนะอุ ksi mobile milkyam ห้าฮ้อรักัตเป็นอะย่างตับนะอย่างมากนะห้าขรกัตห้าหรือหกข้อรักก็ไ ด, ด, ด้นะครับขอสา บ, บานนะบด้วยวันเกียมั ว่าอักซซิมบินน afsill lawama ความหมายแบบเดียวกันเลยและขอสาบานด้วยอะไรฮะดวงจิตอันนัส้สอันนั้สก็คือดวงจิตคือหัวใจหรือชีวิตเอาง่ายๆก็คือชีวิตมันอยู่ตรงไหนชีวิตเราใครรู้ไหมชีวิตเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ติงหูหรือตัดติงหูวออกไปแล้วก็ตายหรือว่าอย่างไรอยู่ตรงไหนครับชีวิตเราอยู่ตรงไหน อยู่ไหนฮะไม่ทราบรู้เราอยู่ที่ไหนอสัปปะสาบานกับชีวิตเราไม่รู้เห็นไหมสุบฮะอัลลอฮฺอันนัฟซุอลลอวะชีวิตที่คอยตำหนิเราว่ามะตำหนิอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเล่าเล่านี่มาจากคำว่าตำหนิหรือถ้าภาษาเราดักหกก็คือด่าด่าตัวเอง ชีวิตที่ด่าตัวเองด่าตัวเองยังไงมันก็เลยมีการทับซีดออกมาแบบสองแนวเหมือนกันบางคนบอกว่าอันนับซุลเราว่ามาตรงนี้เนี่ยหมายถึงทุกชีวิตคนดีคนไม่ดีสุดท้ายก็จะต้องด่าตัวเองด่าตัวเองที่ไหนวันอัครามีคำพูดของท่านฮัสซันอัลบาซรีนะครับฮัสซันอัลฮัสซันอัลบารี บอกว่า ah ah d, ไม่ใช่ أحد จากอัลลอฮฺแห่งสวรรค์และโลกทั้คนีีทุกคนเลยเพราะถึงวันอัคราเนี่ยก็จะตำหนิตัวเองอคนดีตำหนิตัวเองยงังไงแล้วคนไม่ดีตำหนิตัวเองยงังไงในวันอัคราน่าสนใจตั้งไว้ก่อน ต่อไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทัศนาที่สองทศนะที่สองบอกว่าอันนั้นสุลลาวะมาตรงนี้เนี่ยเป็นเฉพาะคนดีเท่านั้นเพราะคนไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ตําหนิตัวเองมีไหมคนทําชั่วอันนี้คือสภาพในโลกดุนียาในโลกดุนียาเนี่ยถ้าคนมันมีหัวใจมันดีอยู่นะมันปกติมันมีขัดศรัทธาต่อรอดสวาตตาลาเนี่ยแน่นอนจะไม่มองตัวเองว่าเป็นคนเพอร์เฟก จะจะตั้หนิ้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอลาวรอทำไมละหมาดของฉันไม่เต็มที่เลยอันนี้คือคนคนมันมีอ إ ي م านจริ ง, รงๆเขาจะตั้หนิ้ตัวเองอย่างนี้อลาวรออักบารทำไมฉันเนี่ยบกพร่องต่อตัวเองล่ะเกินฉันอิสติฟารน้อยเหลือเกินฉันจิกเกร์ต่ออัลลอฮ์น้อยเหลือเกินนี่คืออันนับสุลลัวว่ามาซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคนไม่ดีไม่ค่อยมีคนที่ทำชั่วนี่จะตั้หนีตัวเองทำไมอ่ะมันไม่มีหรอก อ๋อวันนี้กูฆ่าคนอื่นทำไม <c oughs> กูเกลโกงโกงเงินคนอื่นทําไมมันไม่มีหรอกคนที่โกงเงินคนอื่นแล้วจะมันนั่งตําหนิตัวเองแสดงว่ามันทักโกงแล้วตำหนิตัวเองแสดงว่ามันเป็นมันเป็นคนดีมันอยากจะกลับตัวนั่นแหละถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตัฟเซตหลายๆตัฟซซตก็เลยอธิบายว่าอันนับสุลเราว่าหมาตรงนี้หมายถึงคนดีไม่ใช่คนไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้วความหมายสองความหมายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ชนกันนะเพราะว่าเราอาจจะแบ่งได้ในโลกโดุนียาคนที่ตําหนิตัวเองก็คือคนที่มีศรัทธาต่อหลอกเท่านั้นในขณะที่พอถึงวันอาเครัสทั้งคนที่ศรัทธาและคนที่ไม่ศรัทธาทั้งคนดีและคนไม่ดีก็จะตําหนิตัวเองทั้งสิน้นคนดีก็จะตําหนิตัวเองเหมือนที่ทเคยตําหนิในโลกโดุนียานะพอถึงวันอาเครัสแล้วเห็นสวรรค์ อ๋อทําไมอามันของฉันน้อยขนาดถ้าเยอะวันนี้น่าจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงสูงก็จะตำหนิตัวเองนะครับมีในสุลฮะซูมาร์เจ้าเลาะตะลาพูดถึงผู้ศรทัทธาที่พูดถึงกันนะตําหนิตัวเองในขณะที่คนที่ไม่ศรทัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะตําหนิตัวเองเหมือนกันด้วยความเสียดายและก็เสียใจกับกับการที่ตัวเองนั้นไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่ศรทัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮาวต่าละในวันอัคราอย่างไรก็ตามนะครับอันนั่ฟสูหรือว่าหัวจิตัวใจ ชีวิตของม น, นุษย์เนี่ยถ้าเราอ่านอัลกุรอานเราจะพบว่าอัลลอฮูพูดถึงอแบบันนัสแบบูสามแบบอันนักสูามแบบสามระดับอันนัสูแรกก็คือนักสูที่อัลลตะลาพูดถึงในสุรยูสุอินนันักเสลอัมมาเราจุบิสูที่ท่านนบดุลยุบอกว่าแท้จริงแล้วชีวิตหรือว่านัก ส, สูนักสูเนี่ยมันจะคอยมันจะคอยชัก จูงเจ้าของของมันเนี่ยให้ทําชั่วอยู่ตลอดเวลาละอาม่าเราจนไปสู้จะชักจูเราอันนี้หนาวสุดเป็น ล, ละมันใจเลยต้องต่อสู้กับนักสูแบบดีแล้วก็มานักสูแบบที่สองก็คือนักสูลลสอันเหลือมาในโซโลอาลุติยาเนียนักสูนี้เนี่ยบางครั้งมันก็ทําดีแล้วก็เผลอไปทําบาปพอมันทําเผลอไปทําบาปมันก็จะตําหนิตัวเองว่าไป ท, ทไําทําไมอิสติฟาร์เซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ ใช่ไหมครับในขณะที่อีกนับซูหนึ่งก็คืออันนับซูอมุทมาอินน์ที่เราเรียนแล้วในสุรอกัลฟะจอยาอเยตุฮนนน فس อัลมุทมาอินน์อ i รจีอีอีล i อัล d i ลเบคิปาฎีเอมมารฎนะครับอัลล ا และ ل สาบาน2อย่างตรงนี้วันเกียรติเรียกว่าสาบานกับการตอบแทนในวันเกย และสาบานกับผู้ที่จะได้รับการตอบแทนนั้นนั่นก็คือชีวิตทุกชีวิตนับสุลลาวะมาสาบานกับวันอาาัคราซึ่งเป็นวันแห่งการตอบแทนและสาบานกับผู้ที่จะได้รับการตอบแทนนั้นก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยสาบานด้วยอะไรสาบานมีเรื่องอะไรที่จะบอก j a w าบ u l k ั s a n หรือการสนองการสาบานตรงนี้ก็คือ ayah sabul i น s a n u อัลลอาุฮ์จะไม่มีทางรวบรวมกระดูกของเขาแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง س ุบ ا ل ل ن อัลลอฮ์อันนี้คือสิ่งที่เลาต้องการจะสื่อจากการสาบานรอบนี้เพราะว่าพอพูดถึงวันเกียรติท่านอัลบอกว่า เอาคุรานเองก็บอกว่ามนุษย์พอถึงวันแกนมันจะฟื้นขึ้นมาเราจะมีร่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าใครที่ไม่ศรัทธาต่อรอดจะเป็นยังไงเอ้ยมันจะเกิดขึ้นมาอะเอะอะไรจะจ ะ, จะทําในสุรายาซีนใช่ไหมครับที่บอกว่าอะไรนะวะฮียารอมีมมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอีกครั้งหนึ่งอะทั้งๆ ท, ท, ที่มันกระดูกนี่เป็นผุยผงละแล้วมันจะเกิดมาเป็นร่างขึ้นมาได้ยังไงอีกนี่คือคนที่ไม่ศรัทธา ก็จะมองว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้แล้วปฏิเสธไว้ก่อนแบบหัวเด็ดดินขาดยังไงก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วนะถ้าถูกเผาก็คือเผาจนหมดเกลี้ยงเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นผมไปหมดแล้วถ้าฝังดินก็คือโดนโด น, นอนกัดโดนอะไรกินโดนเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วบางคนที่ตายมาเป็นร้อยรอยปีแล้วอยู่ดีๆจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอีกโอ้คิดไม่ออก แล้วแต่ละใช้คำว่าอันล่นล่นแบบปฏิเสธปฏิเสธแบบสำบูรณ์มนุษย์นึกคิดโอ้มันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้มนุษย์คิดอย่างงั้นแล้วแต่ละก็เลยตอบไปว่าเบลไม่มันต้องเกิดแน่นอนเบล قادر ีน่าจะอันโนเซวีย์ banana แล้วแต่ลานั้นมีความสามารถ ที่จะประกอบร่างของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและไม่ใช่แค่ประกอบร่างอย่างเดียวนะแต่จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มยังไงเพิ่มด้วยการทำให้ทุกอย่างในมันเท่ากันหมดเลยโดยเฉพาะทำให้เขาเรียกว่าแบนเนก็คือเนี่ยนิ้วทำให้เหมือนกันหมดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายมันมีสองความหมายเหมือนกันตัซีดอายันี้ก็มีสองแบบเหมือนกัน แบบที่หนึ่งเนี่ยก็บอกว่าในวันอัคราชเนี่ยถ้าสมมติอัลลอฮฺตัลลอต้องการให้นิ้วของเราเนี่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยพระองค์ก็ทําได้ยิ่งกว่าในโลกดุนยาในในโลกดุนยานี่ยมันเหมือนกันไหมครับแต่ละคนเหมือนกันไหมแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วและแต่ละนิ้วมันก็มันก็ไม่เหมือนกันอีกสุบภาพนัลนแหลอันนี้ก็เป็นอธิบายการอธิบายอีกแบบหนึ่ง หมายความว่าถ้าในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺแตละตาลาสามารถที่จะทําเรื่องละเอียดอ่อนได้ขนาดเนี้ยบนานเนี่ยก็คือปลายนิ้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนปลายของอวัยวะในร่างกายละเป็นส่วนที่ละเอียดที่สุดแล้วอัลลอฮฺแตาลาสามารถที่จะทําออกมาได้อย่างประณีตขนาดนี้จนกระทั่งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากลายนิ้วมื อ, อยังไงครับทุกวันนี้อะ นี่เป็นประโยชน์จากลายนิ้วมือทเทอาลาตะลาสร้างมาให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้เนี่ยลายนิ้วมือนี่กลายเป็นหลักฐานสําคัญในการที่จะระบุใช่ไหมว่าตัวตนคือใครเป็นยังไงสุดห้าเนาลหละนี่เราไม่เห็นเลยเหรืยว่าความสามารถีเทอลาวตลาที่อยู่ในตัวของเราเราไม่เห็นเลยครับถ้าสมมติว่าเรื่องถึงขนาดนี้เทอา ล, ะะลาตลาจะสร้างได้แล้วดับภาษาอะไรกันจะประกอบพวกเราขึ้นใหม่กันเป็นเรื่องที่จิตใจมากสําหรับพระองค์ ในโลกดุนี้เพระองค์ทําอย่างนี้ได้แล้วในโลกอาคาัคราสเนี่ยพระองค์บอกว่าอาจจะให้ให้ให้เด็ดกว่านี้อีกก็คือให้เหมือนกันหมดเลยให้เท่ากันหมดเลยไม่มีแตกต่างกันเลยนูเศร้าเวียนนั่นนะก็คือทำให้เหมือนกันหมดเลยให้เท่ากันด้วยพระองค์ก็ทําได้ไม่มีเรื่องอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้เลยประกาศชาัดเลยว่านี่คือข้อเท็จจริงที่มันจะต้องเกิดนะครับในวันอัครา bla قادر ิน على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه จบแค่นั้นก่อนอันเนี้ยส่วนของลระเจ้าประทับอัลลอฮะทอิบายจบละอายะต่อไปเนียเป็นส่วนหรือเป็นฝ่ายของมนุษย์มนุษย์ปฏิเสธอนอัครัตเพราะอะไรอายะต่อไปจะเป็นตัวอธิบายนะครับซึ่งน่าสนใจนะที่บอกแล้วนะครับที่เราบอกว่า ทำไมที่เราต้องเรียนวอนอาคาัคราพราะมันมนีความเกี่ยวข้องกันคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคาราเนี่ยเป้าประสงค์หรือจุดหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรจึงไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคารานะครับนี่สนี่คือสิ่งที่นะครับอัลกุรอานพยายามจะแฉให้เราเห็นพยายามจะอธิบายให้เราทราบนะครับว่ามันนะครับลึกๆของมนุษย์ที่ปฏิเสธตอนอาคาราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่อัลลออะลัยฮาลม ส ل ลล ل ลลอฮุอะลัยฮิวรับบุญภาพิมูฮัมหมัดีมะลัยอัลฮิวซัลฮ์มุสเลม s u م h ل n a r a b i karbalaza ะมสุดี السلام عليكم